258. ปบพาชนียกรรมมะวิวาทะกะถาว่าด้วยความขัดแย้งในปบพาชนียกรรม 435. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุประทุษร้ายตระกูลมีมารยาทเลวสามถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายภิกสุรูปนี้ประทุษร้ายตระกูลมีมารยาทเลวทรามเอาละพวกเราจะลงปบพาชนิยกรรมแก่ภิกสุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงปบพาชนิยกรรมแก่ภิกสุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงปบพาชนิยกรรมแก่ภิกสุรูปนั้น แล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทมปฏิรูปลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยทมปฏิรูปลงปับพาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นสงผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นกล่าวคัดค้านว่า